มันก็ไม่ไม่คิดแบบนั้นก็มาเจริญเมตตามโนกรรมต่อหน้าส่วนเมตตามโนกรรมรับหลังก็ขอให้ท่านเช่นคิดถึงใครสักคนหนึ่งคิดถึงใครปป๊บก็ขอให้เขาไม่มีโรคไม่มีความอาภา อยู่เป็นสุขตลอดไปก็อย่างที่กล่าวไปแล้วคิดถึงใครก็ขอให้เขามีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถอดคิดถึงคนโน้นก็ขอให้ท่านผู้นั้นมีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถอดอย่างพระคิดถึงพระก็ขอให้พระเทวะเถระมีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเป็นผู้ไม่มีโรคไม่มีความอาพาธอยู่เถิดเนี่ยนะคิดถึงว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขประสบแต่ความสุขประสบแต่ความเจริญอันนี้ก็เป็นเมตตามโนกรรมลับหลัง ต่อหน้าก็มองกันด้วยความหวังดีรับหลังก็มองกันด้วยความปรารถนาดีนั้นเมตตากายกรรมเมตตาวาจีกรรมเมตตามนโนกรรมทําให้ผู้ที่อยู่ด้วยคุณธรรมเหล่านี้ไม่เสื่อมและสังคมใดหมู่คณะใดถ้าอยู่ด้วยเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้ารับหลังวจีกรรมต่อหน้าทั้งรับหลังเมตตามนโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังสังคมเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขแน่นอนเพราะอีกฝ่ายหนึ่งจะมองอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความชื่นชมเป็นเมตตา ว่าโมโนกรรมถ้ามองกันด้วยความชื่นชมปรารถนาดีหวังแต่ความสุขเป็นเมตตาโมโนกรรมคำพูดเหล่าใดที่พูดให้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งคำพูดเหล่านั้นเป็นเมตตาว่าจีกรรมทําอะไรที่ไม่เบียดเบียนเขาและให้ประโยชน์แก่เขาก็เป็นเมตตากายกรรมถ้าทําได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังคนที่ปฏิบัติอย่างนี้เจริญอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเสื่อมนะโดยที่ไม่มีเสื่อม ส่วนข้อที่สี่ที่บอกว่าแบ่งปันลาบที่หามาได้ น, นะก็ว่ามีการแบ่งปันลาบไม่มีการแบ่งแยกคำว่าให้สามารถให้ได้หมดเลยเนี่ยนะบทว่าลาพาก็คือได้ปัจจัยมาได้ชีวอนได้เครื่องนุ่งห่มมาได้อาหารมาได้ที่อยู่ได้ที่อาศัยเป็นต้นก็น้อมเอาปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้แบ่งให้แก่คนอื่นและของเหล่าที่ได้มาต้องได้มาโดยชอบธรรม ไม่ใช่ไปทำธุจริตเอามาแจกกันเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไปปล้นคนรวยมาให้คนจนอย่างหรือว่าไปปล้นอีกคนหนึ่งไปโกงอีกคนหนึ่งมาให้อีกคนหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงตัวลาบตัวปัจจัยที่ได้มาโดยชอบรำไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ช่อชนไม่ได้มีเล่ห์มีกลเล่เหลี่ยมมายาสาไถยไปเอาอีกที่หนึ่งแล้วไปให้อีกที่หนึ่งไม่ใช่แต่ว่าเกิดโดยพิกษาจารยวัตดเป็นต้นโดยทํำและโดยสม่ําเสมอโดยสุจเรตทางกายวาจาและ ใจเขาเรียกว่าได้ของมาโดยถูกต้องเป็นทายาธรรมของที่บริสุทธิ์เมื่อได้มาอย่างนั้นโดยที่สุดแม้แต่เพิกษาเพิกษาหรืออาหารสองสามทับพีที่เนื่องอยู่ในบาศอาหารที่อยู่ในบาศก็แบ่งกันฉันได้โดยที่ไม่แบ่งแยกเขาเรียกว่าอัปปติวิพัตตะโภคีไม่ไม่แบ่งแยกไม่แตกแยกวะปกติแล้วการแตกแยกแบ่งแยกเนี่ยมีอยู่สองอย่างแบ่งแยกอมิตรกับแบ่งแยก ผู้รับหรือบุคคลเรียกว่าอามิตรปฏิวิพับุคคลปฏิวิพัสองอย่างนั้นข้อแรกก่อนนะคิดอย่างนี้ว่าเราจะให้เท่านี้เราจะไม่ให้เท่านี้เรียกว่าอามิตรปฏิวิพัฒน์อของของเราที่ได้มานะเราจะให้เท่านี้ที่นี้เราจะเก็บเอาไว้นะเราจะเก็บเอาไว้เท่านี้แบ่งให้แก่คนทั่วไปเท่านี้อันนี้เรียกว่าอามิตรปฏิวิพัฒที่เรียกแบ่งแยกวัตถุอย่างที่สองจิตที่คิดแบ่งแยกอย่างนี้ว่าจะให้องคโน้นไม่ให้องคโน้น ถ้าได้ของมาเนี่ยให้องค์นั้นไม่ให้องค์นี้เป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่คิดอย่างการคิดอย่างนี้เรียกว่าบุคคลปฏิวิพัตน์ภิกษุไม่กระทําแม้ทั้งสองอย่างบริโภคปัจจัยที่ยังไม่ได้แบ่งอันนี้เรียกว่าอฏิวิพัฒตะโภคีไม่แบ่งนะนะไม่แบ่งก็คือมีของใครใครอยากฉันเอาไปฉันใครอยากใช้เอาไปใช้ะนะแต่ว่าช่วยกัน ร, รักษาหน่อยนะเป็นต้นเนี่ยนะ ที่จริงแล้วในสังคมที่มีการแบ่งตันเนี่ยทุกคนต้องอยู่ด้วยธรรมทุกคนต้องมีธรรมแล้วจะผาสุขแต่ถ้าหากว่าแม้อีกคนหนึ่งเห็นของคนดีตัวเองก็มาใช้สเสล่เลยเนี่ยนะเอามาใช้ของคนอื่นซะเสียหายหมดเลยก็ไม่ใช่ลักษณะนั้นมันสังคมที่ ที่ไม่แบ่งแยกเนี่ยนะไม่แบ่งแยกบุคคลไม่แบ่งแยกเข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างเป็นเหมือนกับของสาธารณะหมดเลยทุกอย่างเป็นสาธารณะหมดเลยต้องอยู่ในสังคมที่มีความรับผิดชอบและใช้เข้าของเครื่องใช้เป็นเนี่ยนะหมาเพราะว่ายิ่งสมัยใหม่เนะี่ยบอกอ้าวอย่างเครื่องเสียงเนะี่ยเห็นชัดนะเอาอยากฟังทำอีกฝ่ายหนึ่งเอาไปพังแล้วฟังแล้วเสียหายหมดเลยเนี่ยนะ นั้นไอ้ตรงนี้ก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกให้ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วเนี่ยนะเสียหายหมดเลยอุตส่ากว่าจะหามาได้อีกฝ่ายหนึ่งก็โกรธอีกฝ่ายหนึ่งเลยท่า น, นก็ถ้าหากว่าอยู่ในสังคมที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบขาดเมตตาขา ด, ขาดความหวังดีแล้วก็ใช้เข้าของเครื่องใช้ทั้งหลายบริโภคเข้าของเครื่องใช้ไม่เป็นเนี่ยนะแทนที่จะมีเมตตากลับได้เวรเนี่ยนะกลับได้เวรหนักกระเก่าอีกบางทีก็อะไรนะไอ้ไอ้เขาก็มีอยู่ที่หนึ่งไอ้ เหมือนกับสาธารณะแต่ว่าไม่สาธารณะเห็นรองเท้าใครก็ใช้ทั่วไปหมดใช้เสร็จอะใช้นี่ถอดนี่ไปอะไรใสน่นี่แล้วไปถอดไปโน่นจะของมาตามหาตาเลือกเลยนะไปไหนนาะอีกพักหนึ่งไปอยู่โน่นหรือไปถอดทิ้งคือใส่มั่วไปหมดเลยนะบางวัดเนี่ยเป็นอย่างนั้นใส่รองเท้าออนะใครถอดไว้ก็ใส่ไปหมดอนะใส่แล้วก็ไปเข้าขกุฏิโนูน้นถอดไว้กุฏิโนูน้นใส่คู่ใหม่ไปเรื่อยเนละมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะไม่รู้รองเท้าใครเป็นรองเท้าใครแล้วกันี่ยุ่งไปหมดเลยเนี่ยนะ ไอ้ถ้าอย่างนั้นมันก็เกินไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสาธารณโพคีเนี่ยไม่ได้แปลว่าขาดความรับผิดชอบขนาดนั้นนิสัยเละเทะอะไรแบบนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่หมายความว่ามีความรับผิดชอบมีสามัญญสํานึกไม่ล่วงเกินอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเดือดร้อนเนี่ยนะไม่สร้างความเดือดร้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งอันนั้นแหละเรียกว่าเหมาะที่จะประพฤติสาธารณโพคีเพราะฉะนั้นได้ปัจจัยมาก็ไม่แบ่งปันทั้งผู้รับและ ของที่จะให้ก็ไม่คิดจะต้องแบ่งว่าให้เท่านี้ไม่ให้เ ท, ท่านี้ให้แก่คนนี้ไม่ให้แกคนนี้ไม่คิดอย่างนั้นบทว่าศีละวันเตหิสพรมจรีหิสาธารณโภคีนี้เป็นลันกษณะของพิสุที่บริโภคของทั่วไปเนี่ยนะมองคนของคนอื่นเหมือนของเรามองของเราเหมือนคนอื่นแต่ที่สําคัญเนี่ยนะวิธีปฏิบัติตรงสารานิยธรรมไม่เนี่ยมีความคิดว่าของของเราเป็นสาธารณะแก่ของคนอื่น แต่ไม่ได้ไปทำตัวว่าของคนอื่นเป็นสาธารณะแก่ของเราคิดคนละอย่างนะไม่ไม่คืออันนี้เหมาะมากสำหรับพระพิสูจน์นะสำหรับพระพิสูจน์ที่อยู่ในวัดเนี่ยที่ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อการขัดเกลาเพื่อต้องการละคลายเพื่อต้องการเจริญงอกเงยงอกงามในกุศลธรรมอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้ทาไม่ยากมองว่าของของเราเหมือนกับของขอ ง, ของคนอื่นแต่มองของคนอื่นเหมือนอสสารพิษมองวัตถุเข้าของเครื่องใช้ของคนอื่นทุกชนิด เหมือนใกล้กับงูจงอางว่างั้น น, นะเหมือนใกล้งูพิษนะพวกนี้มันจะกัดเรานะมันจะทําให้เจ็บปวดในตอนหลังนะเพราะฉะนั้นจะเกี่ยว ข, ข้องเข้าขอ ง, ของเครื่องใช้ของผู้อื่นในพระวินัยเนี่ยท่านแนะนําบอกคิดจะจิบหยิบของคนอื่นให้นึกว่าเหมือนอสสารพิษนะกําลังจับอสสารพิษอยู่นะเนีนะกำลังจะจับสิ่งที่มันสร้างปัญหาเนี่ยนะเพราะฉะจับของคนอื่นไม่กําลังกู้อยู่นะ ต้องคิดนะว่ากําลังกู้นี่ยืมสินอยู่นะต้องคิดให้มันดีๆแต่ถ้าเป็นของเราเอาไปใช้ได้เลยนะีนะอนุญาตใช้ตามสบายมันของเรานี่ไม่มีกติกาแต่ถ้ากลับของคนอื่นนี้ระวังรักษา ม, มากเนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็คนอื่นเขาไม่ได้คิดเหมือนเราเนี่ยเมื่อคนอื่นเขาไม่คิดเหมือนเราเราคนอื่นมาใช้ของเราน ะ, ะไม่มีปัญหาแต่แหมพอเราไปใช้ของคนอื่นหน่อยมีปัญหาเสร็จแล้วบอกว่าอะไรตําหนิว่าบุญไม่มีจริงฉันอุตส่าห์ทำดี ก็คือมันไอ้ขี่คุณทําดีมันถูกต้องแล้วแต่ว่าไอ้คุณที่ไม่มีมารยาทในการไปใช้ของคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาตำหนิมาเนี่ยเราโทษเขาไม่ได้เนี่ยนะเพราะเขาเองเขาก็ดูแลเขาห่วงแหนเขาไม่ได้เจริญเหมือนเรานี่ถ้าถ้าดีเหมือนเราแล้วเราดีจริงหรือเปล่าอา๋อบางคนแม้คนอื่นเนี่ยเขาน่าจะคิดเหมือนเราเขาน่าจะดีเหมือนเร า, เาถามจริงๆคุณดีจริงไหมล่ะถ้าคุณดีเท่าอนาถาไหมอ๋อ ดีเท่านางวิสาขาไม่ดีเท่าพาระอะไรแกเจ้าองค์ไหนบ้างไหมมันก็ไม่ดีทําไมว่าแล้วให้คนอื่นเข้ามาดีเหมือนเราถ้าเขาดีเหมือนเราไม่รู้ว่าโลกอาจจะเสียหายแล้วก็ได้ป่านนี้เนะเพราะเราอาจจะดีเฉพาะแค่นี้แต่ว่าเรื่องอื่นเลวหมดก็ได้เนี่ยนะให้คะแนนตัวเองมากไปมั้งเนี่ยนะมันก็ต้องมาค่อยๆสอบสวนค่อยๆชํ า, า, าระสาทางไปอย่างเนี้ยจนกว่าดํารงอยู่ด้วยความสุดจริญธรรมอย่างเต็มที่อย่าลืมว่าทำแลย่อมรักษาผู้ ประพฤติธรรมถ้าเราประพฤติโดยสุจริตธรรมจริงๆแล้วก็แต่ที่สําคัญนะในาศาสนาพุทธเราเนี่ยสอนเรื่องวิชาและจารณะเนี่ยต้องมีทั้งวิชาด้วยและจารณะด้วยการที่เราประพฤติดีเป็นจารณะแต่ถ้าโ ง, ง่มเมื่อไหร่เสียหายมากนะนะสอนให้คนทําดีกับสอนให้คนเป็นคนโง่ไม่เหมือนกันนะอย่างบางคนเนี่ยโยมคนหนึ่งเขามาเล่าบอกเนี่ยนะเขาเนี่ยเขาทําดีมาตลอดเลยนะเขาเห็นใครมาเขาก็สงสารหมด ภายหลังเขาให้กู้สตังไปกู้ไปทีละแสนสองแสนพวกนั้นไม่เคยเอามาคืนเลยไม่รู้ไปทําเบรนทากรรมอะไรมาเอ้ยมันคนละประเด็นกันนะไอทําดีมันเรื่องหนึ่งไอแต่ไ่ให้กู้โดยที่ไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกติกาไม่มีเงื่อนไขจะไปโทษอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เนี่ยนะมันต้องดูว่าใครควรให้กู้ใครไม่ควรให้กู้มีองคุณของ ผู้ที่จะให้กู้ไหมถ้าจะให้เลยก็ให้ไปเลยให้ได้เท่าไหร่ก็ให้ไปจะให้ห้าได้หบาทสิบาทจะช่วยเหลือเขาได้เท่าไหร่ก็ให้ไปก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะวิชาการจารณะมันคนละข้อกันเอาจารณะไปปนวิชาไม่ได้ตัวเองโอ้ฉันเนี่ยทำแต่ดีดีมาตลอดแต่ทําไมนาะคนอื่นมาโกงโกงโก ง, โงไอ้ที่ทําดีอ่าดีแล้วแต่ที่โง่อะไม่ดีไอ้ที่ถูกโกงเนี่ยเพราะโง่ไม่ใช่เพราะทําดีเหนะ เพราะคำว่าดีเนี่ยมันดีทั้งอะไรดีทางกายดีทางวาจาแล้วก็ดีทางใจเนี่ยนะถ้าใจดีจริงต้องเป็นใจที่ใจใจที่ดีเป็นใจที่โง่หรือใจที่มีปัญญาถ้าบอกทําทดีมาตลอดต้องมีปัญญาด้วยนะจึงจะเรียกว่าทําดีเพราะถ้าไม่โง่เมื่อไหร่เรียกว่าทุจริตชนิดหนึ่งเหมือนกันนะเป็นความทําไม่ดีเป็นความผิดพลาดเช่นพฤติกรรมการกระทําใดที่รู้เท่าไม่ถึงการเราจะเรียกว่าทําดีหรือทําเลว เจตนานี้ดีล่ะแต่ว่าเป็นพฤติกรรมที่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ทําออกไปก็ถือว่าทําด้วยความโง่ทําทุจริตเหมือนกันนะพูดโดยพูดเรื่องเสียหายพูดแล้วสร้างความเสียหายเพราะรู้เท่าไม่ถึงการคําพูดนั้นเราจะเรียกว่าสุจริตหรือทุจริตก็เป็นทุจริตนะเรียกว่าทําไม่ดีทําบิดลําพลาธทําแล้วเสียหายทําแล้วต้องตามแก้ไขคําพูดนั้นก็เรียกว่าวัจจิสุจริต ความคิดใดที่คิดด้วยความไม่รอบรู้คิดด้วยขาดสติปัญญาคิดเพราะความรอบครอบดูเหมือนเจตนาดีเขอบอกบางคนเขาบอกเอาเจตนาดีแต่บอกปัญญาไม่ดีคนรเอันกันนะเจตนากับปัญญานี่คนละอย่างกันอย่าเอาว่าเจตนาไปอธิบายครอบคลุมสภาวะธรรมทุกเรื่องไม่ใช่แม้เจตนาดีแล้วพอไม่ใช่ฉะั้นโพธิปัจขยธรรมธรรมที่นําออกจากทุกไม่ได้มีคุณธรรมอยู่ข้อเดียวไม่ได้มีแต่เจตนาอย่างเดียวประกอบไปด้วยอะไรบ้าง สติประฐานสี่สัมมาประธานสี่อิทิบาทสีอินทรี่ห้าพระห้าพุทชงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปไม่ได้เอาแต่เจตนาไปขายฉันเจตนาดีนะฉันหวังดีนะฉันปรารถนาดีนะมันดีมันดีพอไหมล่ะเอ้าถ้าดีไม่พอมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้อย่างที่เราบอกโอ้บางคนก็าบอกเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเขามีความปรารถนาดีทุกอย่างสุดจริตรมหมดเอ๊มันต้องดูนะกุศวกรรมบทเช็คดูละกันเนี่ยนะ กายสุจริตรีไหมวจีสุจริตรีไหมมโนสุจริศสิ่งใดก็ตามถ้ามันมีปัญหามันมีข้อผิดพลาดอยู่ณตรงนั้นแหละคนให้เจอเถอะมันจะมีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามที่นำมาซึ่งโสกกะปริเทวะทุกขโทมณัตอุปายาตพฤติกรรมทั้งหมดเหล่านั้นเกิดจากต้องมีข้อผิดพลาดแน่นอนนี่ก็มาเช็คดูว่าปัญหาว่าเราเห็นผิดโดยความเป็นของผิดไหมเห็นสิ่งที่มีโทษว่ามีโทษไหมถ้าเห็นผิดโดยความเป็นผิดเห็นสิ่งที่มีโทษว่า มีโทษอย่างนี้ก็ประสบความสุขและความเจริญเนี่ยนะนั้นในเรื่องการเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยจะต้องมีวิ ช, ชาและมีจรณะด้วยเนี่ยนะจะต้ององค์ประกอบทั้งวิ ช, ชาความรู้และความประพฤติด้วยบางทีเอาแต่ความประพฤติแต่ขาดวิชาก็เสียหายเนี่ยนะซื่อดีมากความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าซอโซ่มาไม่ดีนะแล้ใส่ไม่เอกด้วยเนะี่ยอนี้ไม่ดีเสียหายเนี่ยนะมันก็ แ ย, แยกให้มันดีนะเพราะว่าถ้าตัวเองเซอร์เมื่อไหร่ก็จ่ายค่าเซอร์นี่แพงนะเช่นเซอร์มากเอาหัวไปเขาเสาอย่างเงี้ยนะโอ้โหหลายเข็มเลยอย่างเงี้ยนะนี่เล่าให้ฟังเมื่อเรื่องยังหายดีเลยเนะี่ยเดินเดินไปเราก็ไม่สบายมากเดินไปเตะอะไรรนะู้ไหมเตะปูนเข้าปอกเข้าไปเนี่ยนะดีเล็บไม่หลุดเนี่ยนะนะอันนี้ก็จ่ายค่าเซอร์เนี่ยมันยังปวดอยู่นิดๆอยู่เลยเนะี่ย ก็คือว่าถามว่าปูนมันก็อยู่อย่างนั้นของปูนมาตั้งนานแล้วก็ทําอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราเนี่ยพลาดเองเเข่ะเองไม่ดีเองไม่ฉลาดเองก็เลยนนก็ทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยนะอะไรก็ตามท่านนามาซึ่งความเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจกลับมาถือว่าเป็นความโง่เเข่ะของเจ้าของบุคคล น, นั้นเองไปโทษคนอื่นก็ไม่ได้หรอกแม้กระทั่งรถวิ่งมาชนเราเราก็ยังถือว่าเราเองนั่นแหละผิด พื้นที่ของเมืองไทยมันมีตั้งเป็นล้านได้ไปยืนตรงนั้นให้เขาชนทำไมเนี่ยนะมีที่ยืนอีกตั้งเยอะแยะไปหมดบอกไม่ระวังอาโทษเพราะไม่ระวัง